นี้ก็เป็นวันที่11กันยาโดยทั่วไปก็เป็นวันปกติเหมือนกับวันอื่นๆแต่ว่าเมื่อ9ปีที่แล้วมันกลายเป็นวันที่เดือนนี้คล้ายๆก็พูดถึงพอพูดถึง11กันยานี่ก็จะนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อ9ปีที่แล้วคือเหตุการณ์ที่เครื่องบิน พุ่งเข้าชนตึก World Trade นะเมื่อที่กรุงนิวยอร์กนะแล้วก็ไปชนตึกเป็นตั ก, ก้อนของกระทรวงกลาโหมนะที่วอชิงตันที่เราคงได้ดูจากภาพข่าวบางทนก็ได้ดูภาพสดๆทางโทรทัศน์ แล้วก็บางคนก็ได้เห็นทางหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าแทบทุกคนคงจะผ่านตาเหตุการณ์นั้นมาแล้วเหตุการณ์ที่ตึก t r a ท e ถูกถลม่มแล้วก็พังทลายลงมาในที่สุดมันนำไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายเกิด ส, ส, สงคราม ในอัฟกานิสถานเกิดสองครามในที่โน่นที่นี่ตามมาที่จริงก็เป็นเรื่องของโลกนะที่หนีปัญหาแบบนี้ไม่พ้นก็เป็นเรื่ององการจองเวรกันพอจองเวรกันแล้วมันก็ไม่จบไม่สิน้น อันนี้คือเหตุที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเรื่องการไม่จองเวรเพราะเวรย่อมไม่อาจระ ง, งับด้วยการจองเวรได้แล้วคือเหตุผลที่เราชอวพุทธจเจริญเมตตาด้วยการแผ่เมตตา อย่างที่เราพึ่งาสาธยายกันเมื่อกี้นี้จริงเหตุการณ์11กัรนยานยมันก็พูดกันได้หลายแง่หลายมุมแต่ก็จะแต่ก็มีบางแง่มุมที่ไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่อันนั้นก็คือเรื่องของความยึดติด ในความคิดความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐุปาทานถ้าคนเราเมื่อยึดติดในความคิดความเชื่อของตัวแล้วเนี่ยมันไม่เพียงแต่นำความทุกข์มาสู่ตัตนเองเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถจะนำความทุกข์มาสู่ผู้อื่นได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเรายึดติดถือมั่นในความคิดของตัว เราก็จะคิดว่าความคิดของฉันถูกหรือคิดไปยิ่งกว่า น, นั้นว่าความคิดของฉันเท่านั้นที่ถูกส่วนความคิดของคนอื่นที่ต่างจากฉันนั้นผิดนะก็จะทำให้เกิดการทุ่มเถียงทะเลาะ ก, กันแล้วก็เมื่อทุ้มเถียงทะเลาะ ก, กันแล้วในที่สุดก็อาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือ วความวุ่นวายในโลกจนกระทั่งเกิดความรุนแรงและสงครามมันไม่ได้เกิดจากความโลภหรือการแย่งชิงผลประโยชน์อย่างเดียวแต่มันยังเกิดขึ้นจากความเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็ทนกันไม่ได้จนเห็นซึ่งกันและกันเป็นศัตรู ไม่ว่าจะยึดติดถือมั่นในความคิดใดก็ตามมันก็สามารถที่จะนำไปสู่การทำลายกันได้แม้แต่ยึดติดถือมั่นในในศาสนาเราก็รู้กันมาแล้วว่าความยึดติดถือมั่นในอุดมการทางการเมืองอันนี้ก็ทาให้เกิด สงครามมานักต่อนนักแล้วเช่นต่อสู้กันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์นะก็ทำให้เกิดสงครามเย็นไปทั่วโลกหรือความยึดติดถือมั่นว่าเชื้อชาตินี้ไม่ดีคนที่มีเชื้อชาตินี้เลวต้องกำจัดนะ ก็ทำฮิตเลอร์นี่ทำลายล้างชาวยิวไปถึงหล้านคนแล้วก็ก่อสงครามในหลายที่ฮิตเลอร์นี่ก็ไม่ชอบคอมคมิวนิสต์ก็ไปบุกถึงรัเสเซียคนตายก็เป็นหลายต้องเป็นล้านๆ น, นะอันนี้ก็เป็นความยึดติดถือมั่นในความคิดความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องอุดมการ์ทางการเมืองหรือเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์แต่ว่าความยุติธรรมั่นในเรื่องศาสนาก็สามารถจะทําให้เกิดการทําลายล้างได้เหมือนกันสงครามระหว่างศาสนาเกิดขึ้นมาไม่จบไม่สิ้นสักทีไม่ใช่แค่ระหว่างศาสนาเท่านั้นแต่ว่าในศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกาย ก็ทำลายล้างกันได้อย่างเช่นระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกอันนี้ก็ศาสนาเดียวกันแต่เขามองว่าเป็นคนละศาสนาก็เกิดสงครามการสู้รบกันก็ยังไม่สั่งซาเลยอย่างในในไอแลนด์เหนือหรือว่าในปากีสถาน ความผัดแย้งระหว่างนิกายสุนีชีอะใ น, ในอิรักก็เหมือนกันนะคนเราพอมีความยึดติดถือมั่นในศาสนาของตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมองคนนับถือศาสนาอื่นเนี่ยว่า เป็นคนไม่ดีหรือมองแม้กระทั่งคนที่นับถือนิกายอื่นว่าเป็นพวกนอกศาสนาก็ต้องกําจัดออกไปเพราะว่าเป็นตัวขัดขวางการเผยแผ่คําสอนที่ถูกต้องเป็นตัวขัดขวางการเผยแผ่วจะนะ ของภาษาสดาหรือว่าคำสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องแม้แต่ชาวพุทธเองนะบางทีก็ทะเลาะ ก, กันเรื่องนี้เราก็ได้ยินเรื่องการทะเลาะ ก, กันระหว่างสำนักการทะเลาะ ก, การกล่าวหาครูบาอาจารย์ผังท่านว่าสอนไม่ถูกต้อง อาจารพุทธทาสนี้ก็โดนถูกกล่าวหาเป็นเดลถถัีเพราะว่าสอนไม่สอนตามแนวทางที่เขาเชื่อเช่นที่อาจารย์พุทธทาสท่านไม่ค่อยสอนในแนวทางอภิธรรมก็ถูกโจมตีแต่นี่ก็เป็นแค่การทะเลาะหรือว่าการกล่าวหาแต่บางค่ําก็สามารถที่จะนําไปสู่การ ทำลายกันได้ศาสนาพุทธอาจจะไม่มีเราต้งจะพูดกันว่าศาสนาพุทธไม่มีสงครามระหว่างศาสนาหรือว่าสงครามที่เกิดจากความต้องการเผยแพร่ศาสนาแต่ที่จริงก็ไม่ถูกนะเพราะว่าตอนที่ญี่ปุ่นไปลุกลานในจีนในแมนจูเรียก็ พระธูปประสงค์อันหน่งคือต้องการเอาศาสนาพุทธที่บริสุทธิ์ไปให้แก่ประเทศจีนในช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่สองก็มีความคิดแบบนี้ว่าศาสนาพุทธในจีนมันไม่บริสุทธิ์ไม่ไม่ถูกต้องก็ต้องเอาศาสนาพุทธที่บริสุทธิ์กว่าไปให้ใชาวพุทธในญี่ปุ่นก็ เรียลายเงินกันเพื่อซื้ออาวุธเพื่อซื้อเครื่องบินไปทําสงครามในประเทศจีนมีการเขียนคำภีร์เขาเชื่อว่าการเขียนคำภีร์นี้เป็นการทําบุญเขียนคำภีร์เพื่อที่จะส่งอุทิศส่วนกุศลหรือส่งบุญไปให้กับทหารเพื่อจะได้ไปทําสงครามในจีนเอาศาสนาผู้ที่ถูกต้องไปให้ อันนี้ก็เป็นเพราะอุปทานความยึดติดถือมั่นว่าศาสนาของฉันนั้นถูกศาสนาของฉันนั้นดีนะอันนี้มันก็ไปโยงกับสิบเกัน ญ, ญายังไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่านะสิบเอ็กัน ญ, ญานี่เป็นเป็นการต่อสู้ระหว่างศาสนาแต่ว่า ตัวคนที่เขาขับเครื่องบินเข้าไปชนตึกจนกระทั่งมีคนตายเป็นพันพะันคนนะเฉพาะที่ตายบนเครื่องบินก็สองสามร้อยแต่ที่ตายเพราะตึกถล่มนี่เป็นพันอันนี้เขาก็ทำเพราะเขาเชื่อว่าเขากาลังทาเพื่อพระเจ้านะคนที่ขับเครื่องบินไปชนเขาก็คิดว่า เขากำลังทำตามคำสอนของพระเจ้าพวกคนอเมริกันพวกนี้เป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อาศาสนาอิสลามนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแก้แค้นนะนะความคิดนี้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมเขาเห็นด้วยแต่ว่าในตัวในคนที่เป็นผู้ก่อการเองเนี่ย เขาคิดว่าเขาทําเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าในสายตาของคนทั้งโลกก็เห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่ตรงกับหลักศาสนาเพราะาศาสนาอิสลามก็ไม่ได้ เห็นด้วย ก, การทำลายผู้บริสุทธิ์นะไาส์สลามแค่เห็นด้วยกับการทำสงครามเพื่อปกป้องตนเองอันนี้ก็มันก็เชื่อเห็นว่าบางทีไอ้ความยึดติดถือมั่นในศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญา มันก็อาจจะกลายเป็นว่าทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ศาสนาหรือภาษาศาสดาสอนก็ได้เดียวนี้ก็มีมีเยอะมากนะการทำระเบิดทีชีพเพื่อฆ่าคนอื่นหลายคนก็ทำด้วยความศรัทธาในศาสนาแต่ว่าก็กลับกลายเป็นการ คำสวนทางกับคำสอนของศาสดาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราก็ต้องตระหนักเอาไว้นักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้เท่าทันเรื่องอุปาทานนะอุปาทานความยึดติดถือมั่นในเรื่องการเมื่อกามอุปาทานนี่ก็ทำให้คนจำนวนมาก นะแย่งชิงปนสะดมกันอันนี้ก็ทําด้วยความโลภแล้วอุปทานคือความยึดติดถือมั่นในทิฏฐิความเห็นก็น่ากลัวพอๆกันแม้แต่ยึดติดความยึดติดถือมั่นในความในศาสนาในพระเจ้าซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองทุกข์แล้วก็คนอื่นทุกข์ด้วย พระพุทธองค์ถึงตรัสว่าแม้กระทั่งยึดติดถือมั่นในธรรมะก็ไม่ถูกต้องนะนะพระองค์เปรียบเส ม, มือนว่าธรรมะนี่เหมือนแพที่พาเราข้ามฝั่งแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วก็อย่าแบกแพรไปด้วยให้วางแพรไว้คนโง่เท่านั้นที่แบกแพรขึ้นฝั่งด้วยอันนี้ท่านเตือนว่านะแม้กระทั่งธรรมะเนี่ยก็อย่าไปยึดติดถือมั่นกับมัน ยึดติดถือมั่นในนิพพานก็ไม่ถูกต้องนะก็ทําให้เป็นอุปสรรคขวางการพันนิพพานได้ด้วยซ้ํายิ่งความยึดติดถือมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตวะทุปาทานนะก็ยิ่งอันตรายเพราะว่ามันทําให้เกิดมานะว่าฉันดีฉันถูกนะฉันเป็นนักปฏิบัติธรรม อย่ามาว่าฉันฉันเป็นอาจารย์ต้องเชื่อฟังฉันฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่อันนี้ก็เคยพูดมาแล้วก็ น, นี่นอกจากเรื่องของอุ ป, ปทานอย่างที่พูดไปแล้วนะว่าเหตุการณ์สิเบตัญญาเนี่ยมันชี้เห็นโทษของที่ถูกปาทานว่าแม้แต่ความผิดความยึดติดถือมั่นว่าฉันทำเพื่อพระเจ้าเนี่ย มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเหตุการณ์นี้ก็ยังเชื่อเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยแม้จะพูดกันว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าก็เต็มไปด้วยอันตรายเหมือนกันมีคนเขาพูดไว้ดีว่ามนุษย์เราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับระเบิดที่ยังไม่ได้ถอดสลับนะคือมีความสามารถที่จะทำลายล้างสูงมาก เราทุกคนเนี่ยเหมือนกับระเบิดที่ยังไม่ถอดสลักนะคือยังมีโทสะที่พร้อมจะระเบิดออกมานะกลายเป็นการข่มเหงทะเนีงร้ายต่อกันได้แต่ละคนแต่ละคนนี่น่ากลัวยิ่งกว่าปืนหรือมีดไต้ซําอย่างเหตุการณ์เส็จยานี่คนที่เขาก่อการนี่เขาก็ไม่มีอาวุธอะไร แต่เขาก็สามารถจะทำให้เครื่องบินเครื่องบินผ่านนิดนะกลายเป็นขีปนาวุธได้เป็นขีปนาวุธที่ทำมีอำนาจทำลายล้างยิ่งกว่าระเบิดทั่วไปแล้วคนเราพอมีความโกรธแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะสรรหาสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยให้กลายเป็นอาวุธมหาพลัยได้ เอาเครื่องบินไปชนตึกตึกพังถล่มคนตายไปสา0พันสี่พันคนโดยไม่ได้ใช้อาวุธเลยไม่ได้ยิงปืนแม้แต่กระสุนนัดเดียวแต่ก็สามารถจะทำลายล้างได้ฉะนั้นแต่ละคนนี่สามารถทำลายล้างได้สูงมากมนุษย์เราสามารถจะ พัฒนาตนจนกระทั่งเทวดามารพร้มก็กราบไหว้บูชาอย่างพระพุทธเจ้าก็ทำได้หรือสามารถจะทำสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์หรือว่าสัตว์นรกก็ทำได้เหมือนกันสัตว์นรกนี่ก็ไม่สามารถจะเกอะความบุญนวาแค่ใ ค, ใคได้ก็อยู่แต่ในนรกแต่ว่าคนเราถ้าหากว่าไม่รู้เท่าทัน หรือไม่สามารถควบคุมความโกรธของตัวเองได้เนี่ยก็สามารถจะก่อความพินาธได้มากมายแล้วความโกรธเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาเหตุผลต่างๆเนี่ยมารองรับว่าความโกรธของฉันนั้นถูกต้องอย่างเช่นเอาพระเจ้าเนี่ยมาเป็นเครื่องรองรับว่าความโกรธของฉันที่ถูกต้องแล้ว หรือมาเป็นเครื่องรองรับว่าการที่ฉันระบายความโกรธออกมาอย่างนี้ถูกต้องคนเราโกรธแล้วเนี่ยที่จิมก็เป็นเรื่องธรรมดานะมนุษย์เราเนี่ยมันก็สามารถที่จะโกรธกันได้โดยเพราะเวลาถูกทำร้ายแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าไม่สามารถควบคุมความโกรธได้แล้วก็ระบายความโกรธออกมา คนเราถ้าระบายความโกรธ ด, ด้วยความหลงอย่างเดียวนี่ก็หนักหนาอยู่แล้วแต่พอเอาศาสนาเอาอุดมการณเนี่ยมารองรับความโกรธมันก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่แล้วคนเราพอทำทำตามความโกรธแล้วหลายคนก็นึกเสียใจว่าฉันไม่น่าเลยแต่หลายคนกลับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่า พระเจ้าเห็นด้วยหรือเพราะเชื่อว่าทําตามคําสองของพระเจ้าทําเพื่อพระเจ้าคนที่โกรธแบบนี้แล้วก็ระบายความกลัวออกมาอย่างนี้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เพราะเขาจะไม่รู้สึกผิดเลยเขาจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยซ้ําอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะดยเพราะถ้ามีเรื่องทิฏฐุปาทานหรือว่าอัตตวัตถุปาทานเข้ามารองรับ อันนี้จะว่าไปแล้วนี้มันก็สวนทางกับคำสอนในพุทธศาสนามากนะในพุทธศาสนานจะเน้นเนลยว่าแม้กระทั่งเพียงแค่โกรธอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แล้วเคยในในชาดกมีมีพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยนะก็แปลกใจว่าทำไมพระโพธิสัตว์ตัวน้อยๆ น, นะ ถึงไม่โกรธทั้งๆ ท, ที่กำลังถูกจองจำถูกทรมานอยู่ก็ถามพระโพธิสัตว์นะว่าทำไมถึงไม่โกรธเลยพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าเพราะว่าความโกรธนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นย่อมเป็นทุกข์ก็ทำให้ศัตรูพอใจนะฉะนั้นเราก็เลยไม่โกรธ นะคือในพุทธศาสนาที่เห็นแล้วแม้กระทั่งความโกรธเนี่ยมันก็เพียงแค่โกรธอย่างเดียวนี่ก็ไม่ถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นทุกข์กับตัวเรานะพว้เราทุกคนก็ก็ย่อมรู้ว่าความโกรธเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็กทุกข์เองทั้งๆที่เราโกรธแล้วเรากําลังแช่งชักหักกระดูกคนอื่นแต่เพียงแค่การทําเช่นนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรานั่นแหละเป็นทุกข์ คนที่เป็นทุกคนแรกจากการแช่งชักหักกระดูกไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเรานั่นเองเราแช่งเขาให้เขาตกนรกนะแต่เราเองต่างหากที่ตกนรกเป็นคนแรกและเขาไม่รู้ด้วยเขาอาจจะยินไใ้ซ้ำที่เห็นเราโกรธหัวฟาหัวเวี่ยงและยิ่งแสดงความโกรธออกไปเนี่ยก็ยิ่งไม่ถูกต้องเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันยิ่งทำให้ ความกวนเราลุกลามมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจะทําบาปทําชั่วได้การแก้แค้นคนเนี่ยทําให้เขาเดือดร้อนนี่มันก็ถือเป็นบาปเหมือนกันนะแม้ว่าคนที่เราแก้แค้นคนที่เราทําร้ายนั้นเนี่ยเคยทําร้ายเรามาก่อนแต่เพียงแค่เราไปทําร้ายเขาอันนั้นก็ไม่ได้ทําให้ มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปได้คนมักมีมักพูดว่าเนี่ยเขาทาฉันก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อฉันแก้แค้นสิ่งที่ฉันทำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นมันไม่ถูกหรอกเพราะว่าชั่วกับชั่วเจอกันไม่ได้แปลว่าเป็นของดีนะลบกับลบเจอกันไม่ได้แปลว่าบวก มันก็แปลกนะเราไม่ชอบคนอื่นที่เขาว่าเราที่เขาทำร้ายเราแต่ทำไมเราถึงเอาเขาเป็นครูคือทำตามอย่างเขาเขาด่าฉันเพราะฉะนั้นฉันต้องด่าเขากลับแล้วเขาทำร้ายฉันเขากงฉันเพราะฉะนั้นฉันต้องโกงเขากลับนะเราไม่ชอบเขาแต่เรายกให้เขาเป็นครูก็คือทำตามเขา คนมักจะพูดแบบนี้ว่าเขาทำชั้นก่อนเขาเคยทําชั้นอย่างนั้นเพราะนั้นฉันก็ต้องทําบ้างเขาเป็นครูเราตั้งแต่เมื่อไหร่ในเมื่อเขาเป็นเขาเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ควรยกเขาเป็นครูนะแต่มนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้แหละนะเราเราเกลียดใครเราไม่ชอบใครแล้วก็มักจะทําอย่างเขาอย่าง พอเกิดเหตุการณ์สิเตัญญาขึ้ น, นฝ่ายอเมริกาก็ต้องการแก้แค้นแล้วก็ไปทำสงครามในปในอัฟกานิสถานแล้วก็ไปหาเหตุไปทำสงครามในอิรักเพื่อจัดการโคนล้มพวกผู้ก่ อ, อ ก, การร้ายแต่สุดท้ายก็ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่ตายจาก การสิบเอกันยาที่ผู้บริสุทธินะตายกันเป็นเบือเราไม่เราไม่ชอบเขาแต่เรากลับทำเหมือนอย่างเขานะอันนี้เพราะอะไรเพราะความหลงเพราะความไม่รู้ตัวรวมทั้งกิเลส ท, ที่มันหาข้ออ้างกิเลสนี่มันมันต้องการที่จะระบายโทสะอยู่แล้ว เพื่อที่ทําลายคนอื่นที่ตัวเงไม่ชอบมันก็ต้องหาเหตุและเหตุหนึ่งที่มักจะอ้างคือว่าเขาทําฉันก่อนเขาทําฉันก่อนนะสุดแล้วก็เลยพอไปตอบโต้กันก็เลยไม่จบไม่สิน้นทุกวันนี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะวันนี้สิบเอ็ดกันยาก็จะมีบาทหลวงแม่บาทหลวงนะั่เป็นหมอสอนศาสนาคนหนึ่งประกาศ ว, ว่าจะเผาคัมภีร์อรัลกุรอาน 200เล่มในหน้าหน้าบทของเขาเพื่อเป็นการประท้วงศาสนาอิสลามที่เป็นต้นเหตุหเกิดสิบเกันยาอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะไปมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะศาสนามันก็เลยจะกลายเป็นสงครามระหว่างศาสนาเพราะถ้ามีการเผาอย่างที่ว่าคนอิสลามคนมุสลิมก็ต้องตอบโต้ตอบโต้คนอเมริกัน ที่จริงเหตุการณ์11กันยาก็เกิดจากการต้องการแก้แค้นต้องการแก้แค้นชาวอเมริกันต้องการแก้แค่รัฐบาลอเมริกันที่ไปก่อความเดือดร้อนให้กับประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางในหลายในหลายที่ก็แก้แค่กันไปแก้แค่กันมาไม่จบไม่สิ้นสักทีพระผู้เจ้าจัดว่าเนี่ยเวร น, นะถ้าจองเวรกันแล้วมันก็ไม่จบไม่สิน้น พุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ต้องการถอนรากถอนโคนความความความชั่วไร้รวมทั้งการเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยไม่ใช่เอาชนะด้วยการกดข่มแต่เอาชนะด้วยการใช้เมตตานะพุทธศาสนานี่แม้แต่การ ด่าว่าผู้ที่ทําร้ายเราเนี่ยก็ไม่ถูกแล้วนะนี่ผู้เจ้าเคยตรัสว่าแม่พูดใดด่าว่าท่านเอาก้อนหินขว้างท่านเอาไม้ฟาดท่านหรือใช้ศาสตร์ทําร้ายท่านให้ท่านพึงสำเนียกว่าจิตเราจะไม่แปรผันนะจะไม่กล่าววาจาช่วยยาก แต่จะมีแต่ความเอ็ดนดูเกือ้อกูลมีเมตตากรุณาต่อผู้ที่ทำร้ายเรา น, นนี้เป็นคำตรัสของพุทธเจ้าเลยนะบางตอนท่านก็ตัดไว้ค่อนข้างจะแรงนะบอกว่าแม้มีโจรมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของท่านนะ ถ้าท่านมีจิตแปรผันจิตแปรผันคือจิตโกรธเงียนะหรือว่ากล่าววาจาช่วยยากแสดงว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของเราเพราะว่าท่านไม่อดกลั้นนะต่อผู้ที่ทำร้ายท่านพระพุทธองค์นัานสอนขนาดนี้แม้ว่าที่ท่านสอนที่จะสอนกับพระนะแต่ว่าที่จริงชอบพุทธเราก็ต้องนำไปพิจารณาด้วย ในชาดกเนี่ยจะมีเรื่องราวทำนองนี้มากว่าจะไม่ตอบโต้กับคนที่ทำร้ายไม่ใช่เพียงแค่ไม่ว่ากล่าวนะแต่จะไม่โกรธไม่เกลียดด้วยพีน้ำซ้ำยังแผ่เมตตาให้มีชาดกหนึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องของฤาษีที่ชื่อขันติวาที คันติวัตินี่คือพระโพธิสัตว์คันติวันี่ก็เป็นเป็นเป็นเป็นนักบวชที่คน น, นับถือมากแม้กระทั่งพระมเหสีของกษัตริย์องค์หนึ่งก็นับถือคันติวาทีจนทั้งพระราชานเนี่ยอิจฉาอิจฉาว่าคันติวาทีนี้ได้รับอ่า ความนับถืออาจจะมากกว่าตัวเองด้วยมั้ ง, งก็เลยต้องการที่จะแก้แค้นแก้แค้นด้วยการทดสอบคือเอามาจับมาแล้วก็มาท ร, รมานมเพื่อจะดูว่าท่านเนี่ยมีคันติจริงหรือเปล่าดีจริงอย่างที่ใครเขานับถือจริงไหมทายัางไงก็มาทรมานตัดมือ ตัดเท้าแล้วก็ตัดจมูกแล้วก็ตัดหูอยากจะให้คันติวัติเนี่ยได้แสดงความโกรธออกมานะจะได้สะใจตัวเองว่าเนี่ยคันติวัติไม่ได้ดีหรอกแต่พรากว่าคันติวัติเนี่ยอดกลั้นสมชื่อนะนอกจากจะไม่โกรธแล้วเนี่ยก็ยังแผ่เมตตาให้ด้วยนะว่าขอให้ท่านมีอายุยืนนะ คอท่านได้ยัง ไ, ได้ประสบข้อกรรมจากบาปกรรมที่ท่านทําไว้เลยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์นะที่เป็นแบบอย่างให้กับเราว่าต้องเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธถ้านอกจากไม่โกรธแล้วเนี่ยก็ยังมีจิตแผ่เมตตาให้ ตอนนี้เนี่ยมันเป็นวิธีเดียวที่ทาให้การจองเวรเนี่ยมันจบสิน้นน่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เยอะนะเรื่องราวของของพญาพญาลิงที่ช่วยคนคนหลงทางคนที่หลงทางในป่าแล้วก็ไปตกในช่องน่อนผาพญาลิงก็ลงไปช่วยตัวใหญ่มากนะพญาลิงเนี่ยปีนเถาวันแล้วก็ไปให คนหลงทางเนี่ยเกาะหลังแล้วพิยาลิงก็ปีนขึ้นตไตแถววันไตแถววันขึ้นมาพอไตแถววันขึ้นมาก็หมดแรงหมดแรงก็บอกว่าขอพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะค่อยไปพาไปออกพาไปให้ออกพ้นเขตป่าเพราะว่าเขาหลงทางระหว่างที่พิยาลิงนอนเอาแรงเนี่ยคนคนนี้ก็ คิดร้ายคือหลงป่ามาหลายวันก็หิวหิวก็เลยอยากจะฆ่าพญาลิงตัวนี้มาเป็นอาหารนะอากตันอยู่ถึงขนาดนี้นะทั้งตั้งที่พญาลิงบอกว่าเดี๋ยวจะพาพาไปให้ออกพ้นเขตป่าก็เอาหินคว้างเอาหินฟาดที่หัวแต่พญาลิงก็แค่ได้รับอันตรายแค่ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ตาย พอลุกขึ้นมาก็บอกว่าทำไมท่านทำอย่างนี้นะเราอุตส่าห์ช่วยท่านขอท่านจะได้ประสบเคราะกรรมจากบาปกรรมที่ท่านทำไว้เลยนะพูดอย่างนี้นะว่าขอท่านจะได้ประสบกับบาปกรรมที่ ท, ท่านได้ทำไว้แม้กระนั้นก็ยังรับที่จะพาคนคนนี้เนี่ยพาไปให้พ้นเขตป่า พาพอรับปากเอาไว้แล้วก็ช่วยจนสำเร็จนะพาเขานำทางไปจนกระทั่งไม่หลงป่ากลับบ้านได้แต่สุดท้ายคนนี้ก็ไม่รอดนะก็ถูกถูกทำร้ายตายเพราะบาปการรมที่ทำไว้อันนี้ก็เป็นนะเรื่องชาดกนะที่เช่เห็นว่าการนอกจากจะไม่โกรธแล้วเนี่ย แม้แต่การที่มีเมตตากับเขาก็เป็นสิ่งที่ควรทำถ้าทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ก็ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้สอนอะไรจริงๆศาสนาเนี่ยมันควรจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้มากกว่าที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้คนทำร้ายซึ่งกันและกัน แต่เดี๋ยวนี้คนจํานวนมากเนี่ยใช้ศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการทำร้ายผู้อื่นถึงขั้นยอมตายเพื่อฆ่าผู้อื่นนะท่นนี้ก็ระเบิดพรีชีพก็มีเยอะเดี๋ยวนี้ได้ข่าวจริงในพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้ยอมตายเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นไว้นะไม่ใช่ยอมตายเพื่อทำร้ายผู้อื่นในชาดกก็จะมีตอนหนึ่งว่า ท่านเห็นเสือแม่เสือเนี่ยมันหิวมากแล้วมันกำลังจะกินลูกน้อยของตัวนความหิวบางทีก็ห้ามไม่ได้นะพระโพธิสัตว์ท่านเห็นแล้วก็สงสารเสือน้อ ย, อยก็อยากช่วยชีวิตเสือน้อยไว้เสือน้อยก็ลูกเสือเนี่ยนะเ๋ยวช่วยช่วยลูกเสือไว้ก็เลยยอมอุทิศตัวเองให้เป็นอาหารให้กับแม่เสือ ให้แม่เสือกินซะแม่เสือได้ไม่กินลูกของตัวเองเป็นบาปเป็นกรรมอันนี้ก็เป็นการเสียสละนะด้วยหน้าของเมตตาศาสนาพุทธสอนเรื่องนี้ไปเยอะแต่ว่าชาวพุทธเราก็มักจะลืมไม่ค่อยตันหนักเท่าไหรนะ่ก็ยังคิดถึงเรื่องการแก้แค้นะคิดถึงเรื่องการตอบโต้ อย่างเช่นมีเรื่องมีราวในสามจอยแดนภาคใต้มีพระถูกทำร้ายก็น่าเห็นใจนะทั้งพระทั้งชาวพุทธก็มีความโกรธแค้นแต่ว่าพอโกรธแค้นแล้วไม่ระ ง, งับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเหมือนกับสาดสาดน้ำมันเข้ากองไฟมีการปลุกให้โกรธเกลียดชาวมุสลิมในสามจอยแดนภาคใต้แทนที่จะเจาะจงไปที่ผู้ที่ก่อการร้าย ก็ให้เกลียดชังพวกมุสลิมทั่วไปอันนี้มันไม่ใช่วิสัยชาวพุทธนะแล้วก็มันไม่มันไม่ตรงกับเหตุกับผลด้วยคือไม่ได้เข้าใจเรื่องสมุทัยใช้อารมณ์เป็นหลักถบางรีพระก็ปลุกระดมกันอย่างนัน้นนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องตั้งหลักให้ได้แม้ว่าเราจะถูกทำร้ายแม้ว่าเาพื่อนของเราพวก อ, า, อาจรถูกทำร้าย ก็ต้องตั้งสติไว้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความจริงคืออะไรแล้วก็ได้ระลึกถึงคำสังของพุทธเจ้าว่านะความความโกรธความเกลียดนั้นเนี่ยมันมันมีแต่ทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธคนเรามีเหตุผลที่จนะเกลียดได้คนเรามีเหตุผลที่จะโกรธไ ด, ด, ได้แต่ก็ไม่หมายความว่าเมื่อโกรธเมื่อเกลียดแล้วก็ จะทำอะไรกับใครก็ได้หรือทำอะไรกับคนที่เราโ ก, กรธเกลียก็ได้แม้รู้อยู่ว่าคนที่คนที่เราโกรธเกลียกนั้นะเขาเป็นคนไม่ดีก็าอาจจะเป็นอาชญากรก็อาจจะเป็นพ่อค้า ข, า, ขายยาก็าอาจจะเป็นพวกฆ่าตอ่อกรฆ่าขมขืนแต่ไม่ใช่ว่าพอตำรวจจับมาได้แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะไปลุมกระทือบประชาทันเขาได้นะ ก็อาจจะน่าเห็นใจนะคนที่เป็นเจ้าทุกข์หรือคนที่เป็นญาติของผู้ตายเขาก็ต้องเสียใจโกรธแค้นแต่ก็ไม่หมายความว่าเมื่อโกรธแค้นแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้หรือจ ะ, จะทาอะไรกับคนผิดก็ได้พอเราคิดว่าเราถูกแล้วเนี่ยเรามักจะมองว่าคนผิดเนี่ยมันสมควรตายหรือว่าเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้คนผิดมีสิทธิ์เป็นศูนย์นนี้มีความความคิดความเข้าใจแบบนั้น คนผิดมีสิทธิ์เป็นศูนย์เพราะนั้นจะทำไงกับมันก็ได้คิดกันแบบนี้กันทั้งโลกเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พวกผู้ก่อการเนี่ยก่ อ, อกานลายนี่เอาเครื่องบินไปถล่มเพื่อฆ่าผู้บริสุทธิ์นะก็เห็นว่าพู้นั้นเป็นคนชั่วเป็นคนเลวสมควรตายต้องระวังมากนะเดี๋ยวนี้คนทั่วไปก็คิดแบบนี้นะคนผิดมีสิทธิ์เป็นศูนย์ การขัดแย้งเหตุการณ์ประทวงกันเมื่อหลายเดือนก่อนนะที่มารุ้นแรงเพราะต่างคนนอกจากมีที่ถูกปาทานมีความยึดติดถือมั่นในความเชื่อของตัวแล้วจนกระทั่งมองอีกฝ่ายนึ่งว่าเป็นคนผิดแค่นั้นไม่พอพอมองว่าอีกฝ่ายน่ยเป็นคนผิดแล้วเนี่ยก็คิดต่อไปว่าคนผิดเนี่ยสมควรตาย วความพิ่แบบนี้ก็เกิดขึ้นมากในคู่ขัดแยง้งบ้านเมืองก็เลยไม่จบไม่สิน้นตอนนี้ก็ต้องอรับกรรมกันต่อไปนะจากการที่ได้ทําทลายกันหรือว่าต่อว่าหรือว่าข่มเหงคันเองรายกันอันนี้เหตุการณ์11กันยานี้ก็จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้หันมา มาพิจารณาด้วยว่ามันมีมันให้บทเรียนอะไรแกเราบ้างไม่ใช่บทเรียนทางโลกอย่างเดียวบทเรียนในทางธรรมด้วยมันจะได้เกิดประโยชน์เพราะไม่งั้นคนเราเนี่ยก็ไม่เคยเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเลยเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้บทเรียนกับเราเยอะแต่เราไม่ค่อยได้เรียนรู้มก็เลยทําผิดทําพลาดซ้ําซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่นั่นแหละเอาวะเอวันนี้ก็พูดกันต้นนี้กรับครับ